ชีวิตคนเราเต็ไมไปด้วยความทุกข์นะเราสวดมน์นนะเมื่อสักครู่ก็รู้แล้วแต่เป็นการสาธยายถึงความทุกข์ที่คนเราต้องประสบแค่เกิดมานี่ก็เป็นทุกข์ลวอยู่เฉยเฉยนี่ก็หนีทุกข์ไม่พ้นเพราะว่าแม้อยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไรเลยก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ยังจะเจอความพัดพรากอีกสุดท้ายก็มีความตาย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 ท่านแนเอาไว้นะท่านพูดพระพุทธองค์ได้พูดถึงสิ่งที่เราพึงกระทำต่อความทุกข์และความสุขนะมีสี่ข้อนะสองข้อแรกนี้เป็นเรื่องที่เราน่าพิจารณามากก็คือว่าข้อแรกนี้อย่าเอาทุกข์มาทับถมตนหรือว่าอย่าเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองซึ่งก็หมายความว่านะอย่าไป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 การทรมานตนนะอันนี้เราพูดไปแล้วเมื่อวานนะการทรมานตนนะอันเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งสิ่งที่พระพุทธเจ้าสารเสริญหรือว่าการทำความชั่วการผิดศีลเนี่ยก็ถือเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้แั่ตัวเองนะเพราะว่ามันมีแต่สร้างความเดือดร้อนใจให้กับตัวเองพระพุเจรัสว่าเนี่ยคนพานหรือคนชั่วเนี่ย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 อาจจะมีสุขชั่วคราวได้เงินได้ทองมาก็าเที่ยวเตยหรือว่าซื้อรถซื้อบ้านก็สบสบายแต่ว่าเป็นความสบายเพียงแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จะตามมาด้วยความทุกข์ที่หนักกว่าเดิมไม่คุ้มกับความสุขที่ได้มาอีกความหมนึ่งที่ลึกซึ้งนะของคําพูดที่ว่าเนี่ยอย่าเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองหรืออย่าเอาความทุกข์มาทับถมตน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 มาทิมแทงตัวเองถูกเขาต่อว่านี่มันก็พอแรงอยู่แล้วนะก็ยังเก็บเอาคําต่อว่านั้นเนี่ยมาทิมแทงจิตใจตัวเองให้มีความเจ็บปวดโกรธแค้นน้อยเนื้อต่าใจอันนี้ก็เรียกว่ากําลังเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองหรือว่าเอาทุกมาทับถมตนทันทีที่มีความโกรธทันทีที่มีความเศร้าเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะสลัดมันออกไป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 อาจจะทุกข์กายบ้างเพราะว่านั่งแล้วเมื่อยหรือว่าเดินจงกลมโดนแดดส่องร้อนนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์อย่างพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าใจเราอยู่ที่หอตไตรที่ศาลาฟังคําบรรยายนีย่ก็จะไม่มีอะไรไม่มีเหตุอะไรให้ทุกข์เลยแต่พอใจเราไม่อยู่ตรงนี้ใจเราไปอยู่กับแปรดีสนะกับไปนึกถึง เหตุร้ายที่เกิดขึ้นเงินที่ถูกกกงไป mm. เพื่อนที่เขาต่อว่าด่าทอเราหรือคนรักที่ทิ้งเราไปมันก็จะเกิดความโกรธความเสียใจความอาลัยอาวรมันเกิดขึ้นเพราะใจไม่อยู่อยู่กับปัจจุบันนะใจเนี่ยพัดลวงไปในอดีตแล้วหรือไม่ก็ไปไปกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนะช่น พรุ่งนี้หลายคนก็จะได้กลับไปที่บ้านกลับไปกรุงเทพมองของคนนึกถึงงานละงานที่ยังคาอยู่รวมนึกถึงพ่อแม่นะที่กําลังเจ็บกําลังป่วยลื้นนึกว่าเนี่ยต้องไปรับผลตรวจสุขภาพหมอตรวจให้มารับผลก็กังวลแล้วว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเราจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่านี่ยโตอยู่ตรงนี้แต่ว่าพอใจนึกถึงอนาคต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 เท่านั้นบนเปื้อนนี่มันก็ก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อที่สามแต่ว่าไม่ใช้เลยก็ไม่ถูกใ น, นความสุขที่ชอบทำเนี่ยนะประการแรกก็หมายถึงสุขที่ได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องและประการที่2ก็หมายถึงความสุขที่ไม่ไปก่อความเดือดร้อในให้แก่ใครนะเช่นถ้า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 แต่ว่าไม่เห็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสละความสุขที่ชอบทําอย่างหนึ่งนะมนุษย์เราเนี่ยชอบมองเห็นชอบสนใจจดจ่อกับสิ่งที่ยังไม่มีหรือสิ่งที่เสียไปไอ้สิ่งที่มีเนี่ยกับไม่รู้จักชื่นชมมันแไอเราลองดูเวลาเราทุกข์เพราะเราทุกข์เนี่ยนะเพราะเราชัว่วยังไม่ได้มีอย่างงนยังไม่ได้มีบ้านยังไม่มีรถยังไม่มีตําแหน่งที่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 อาจจะถ้ารู้ว่ารูปพิการสมองตั้งแต่อยู่ในท้องก็อาจจะทำแท้งแต่ว่าเธอก็อย่างผู้หญิงคนนี้เนี่ยวังเมื่อเรีย น, นยโชคดีนะก็ได้เกิดมาแล้วก็สักกก็มีความภาคเพียร น, นะจนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกนะมหาวิทยาลัยที่มือชื่อของอเมริกานะ UCLA มหาวิทยาลัยแห่งคลิฟอร์เนียที่ลอสแอ g เจลิส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 ฉันมีขาที่สวยนะข้อที่สพ่อแม่รักฉันข้อที่สพระเจ้าก็รักฉันนะเธอเป็นคริสข้อหนะ้าฉันมีแมวที่สวยงามข้อหฉันเขียนหนังสือและวาดรูปได้แต่ที่ควรประทับใจคือข้อที่7็นะซึ่งเป็นการสรุปทั้งหมดที่เธอพูดนะคือว่าฉันเห็นแต่สิ่งที่ฉันมีนะไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มี คนพิการอย่างวังมเมลเลนเนี่ยมีความสุขได้เพราะเธอมองเห็นแต่สิ่งที่เธอมีไอ้สิ่งที่เธอไม่มีหรือว่าบกพร่องไปเธอไม่มองเธอไม่สนใจอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยพอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้เราได้มาเท่าไหร่เรามีเท่าไหร่แล้วก็ชื่นชมเห็นคุณค่าของมันแล้วก็มีความสุขได้ไถ้าเราลองนะลองมองสิ่งที่มีไม่มอง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 มีหนังสือติดมาแต่หนังสือไม่พอนะก็ต้องก็จะต้องมีบางคนที่ไม่ได้ก็ปึ้งแรกก็หนังสือเป็นหนังสือเล่มเล็กขนาดเท่าฝ่ามือมาแจกนะคนก็มาออ ก, กันได้ไปก็ดีใจพอหมดปึ่งแรกก็เอาปึ่งที่สองมาครั้นี้เป็นปึ่งที่ใหญ่กว่าเป็นหนังสือที่ใหญ่กว่านะขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กคนที่มาทีหลังก็ได้ไป คนที่ได้หนังสือเล่มเล็กนะที่แรกดีใจแต่พอร่ว่เพื่อนได้หนังสือเล่มใหญ่ก็สึกเสียใจมีบางคนก็มาขอแลกนะเอาเล่มเล็กมาแลกเพื่อจะเอาเล่มใหญ่นะทั้งที่เคายังไม่รู้เลยว่ายังไม่รู้เลยว่าเล่มเล็กเนี่ยมันมันดีสู้เล่มใหญ่ได้หรือเปล่าแต่เพียงแค่ได้เล่มเล็กก็ไม่พอใจแล้วนะมาขอแลกเอาเล่มใหญ่อันนี้แปลว่าอะไรว่าเขา ไม่ได้มอเขาได้แต่เขาเมองเขาเสียแทนที่จะฉันจะได้เล่มเล็กท่นเสียเล่นใหญ่อันนี้ก็เรียกว่าสละความสุขที่ชอบทำนะคือแทนที่จะมีความยินดีนะในสิ่งที่ได้มาก็กลับเป็นทุกข์อันนี้เรื่องการที่ไม่สละหรือปฏิเสธความสุขที่ชอบทำเนี่ยมันยังรวมถึงว่าเรารู้จักเปิดใจ รับเอาความสุขที่มีอยู่รอบตัวด้วยคือนอกจากชื่นชมสิ่งที่มีแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักเปิดใจรับเอาความสุขที่มีอยู่รอบตัวจริงความสุขมันไม่ได้อยู่ไกลตัวนะมันอยู่รอบตัวเรา เ, เพียงแต่ว่าเรามักจะปิดใจไม่ไม่เปิดรับความสุขนะมีเพื่อนตาบาคนหนึ่งเนี่ ย, ยแกเป็นไส้เลื่อนก็ไปผ่าที่โรงพยาบาล หลังจากนั้นก็มาพักฟื้นที่บ้านปกติแกเป็นคนที่ทำงานเยอะทำงานเกี่ยวกัคอมพิวเตอร์ทางานเกี่ยวกับการใช้ความคิดเป็นคนยิ่ขยันแต่พอผ่าไส้เลื่อนเนี่ยแกต้องพักฟื้นเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งทำอะไรแทบไม่ค่อยได้เล ย, เยก็เลยต้องนั่งหรือไม่ก็นอนอย่างเดียวอ่านหนังสือได้บ้างแกเราว่าวันหนึ่งเนี่ยนะก็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 มันไพลร์ลามากเลยไพลล้อจนเรียกว่ า, าเกิดความปิดตินะถึงกับ น, น้ําตาไหลเสรแล้วแกก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะบ้านนี้แกสร้างมาเนี่ยแกอยู่บ้านนี้มาตั้งแต่ลูกสาวนี่ยังอายุสามสี่ขวบตอนนี้ลูกสาวใกล้เกิดไปจบมหาวิทยาลแล้วแกอยู่บ้านนี้มายี่สิปีแล้วทําไมเพิ่งได้ยินเสียงนกร้องคําถามคือนกมันเพิ่งร้องหรือเปล่า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 เพราะว่ามันมีอยู่รอบตัวเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามันมีอยู่กับธรรมชาติแต่คนเราก็ปฏิเสธหรือว่าสละความสุขเหล่านั้นไปโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่าใจเรามันไม่ว่างนะเขาก็ได้บทเรียนนะได้แง่คิดมากทีเดียว น, นะว่าโอ้จริงๆความสุขไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลนะมันอยู่รอบตัวเรานี่เองเพียงแต่ว่าใจเราจะเปิดหรือไม่เท่านั้นเ เพราะฉันเนี่ยเรื่องการที่พระจ้าตรัส ว, ว่าเนี่ยไม่สละไม่พึงสละความสุขที่ชอบทมเนี่ยนะมันก็มีความหมายรวมไปถึงว่าเราต้องรู้จักนะมองเห็นความสุขที่มีอยู่รอบตัวหรือมองเห็นความสุขที่มีอยู่กับตัวเราแล้วโดวยการชื่นชมสิ่งที่มีรวมทั้งรู้จักเปิดใจรับความสุขบ้างนี่ข้อข้อข้อที่สองแล้วนะข้อที่สามเนี่ยนะ ก็จะพูดเป็นการทิ้งทายเอาไว้ข้อที่สามพรเจ้าตรัสว่าไม่พึงสยบในความสุขที่ที่มีแม้เป็นความสุขที่ชอบทำก็ไม่พึงสยบโมเมาหรือว่ายึดติดนะเพราะว่าความสุขที่ชอบทำเนี่ยยังไงยังไงมันก็ไม่เที่ยงยังไงแอมก็ต้องแปลเปลี่ยนไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง รวมทั้งความสุขจากการที่มีตามองเห็นธรรมชาติความสุขที่เกิดจากหูได้ฟังเสียงนกร้องสักวันหนึ่งนะความสุขที่ว่ามันก็จะหดหายไปเพราะว่าตาเริ่มฝ้าฟางหูกเ็เริ่มจนวกนะรวมทั้งความสุขจากวัตถุต่างๆความสุขจากคนรักทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเมือนถ้าเกิดว่าสยบมัวเมา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 แล้วก็ประสบความสรุจในชีวิตมีเงินมีทองมียศศักดิ์อัครฐานนะก็ต้องตระหนักว่าอของเหล่านี้มันไม่เที่ยงนะสักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปหรือแปรเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นนะี่ก็อย่าไปหลงไหลยึดติดกับมันมากต้องทำใจเผื่อว่าสักวันหนึ่งนะมันก็จะต้องเป็นอื่นไป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 ให้แก่ตัวเองห ร, อหรือไม่เอาทุกมาทับถมตนนะเพราะว่าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางไดนะ้ข้อสุดท้ายเนี่ยพุทธเจ้าตัดว่าให้รู้จักภาคเพียรเพื่อทาที่สุดแห่งทุกหรือว่าทาทุกให้มันหมดสิ้นนะอันนี้ก็นะเป็นเป็นข้อที่สำคัญดีเดียวนะเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่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 และความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและมันก็ช่วยช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากความสุขที่ชอบทำให้สยบมัวเมาได้และถ้าเราภาพเพียงอย่างเต็มที่นะมีปฏิบัติอย่างถูกวิธีนะไม่เพียงแต่ได้พบความสงบใจแต่ว่าเกิดปัญญาเราก็จะสามารถที่จะทำเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดสิ้นไปได้นี่ก็ฝากเอาไว้น ะ, ะท่าทีต่อสุขและทุกข์ สีประการนี้มันมันเป็นประโยชน์และมันจำเป็นมากนะไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตทางโลกหรือทางธรรมเาคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้นะครับครับ